พระเทวทัตถูกอสัตธรรมสามอย่างครอบงำภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัต ธ, ธรรมสามอย่างครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสัตธรรมสามอย่างคือ 1. ความปรารถนาชั่ว 2. ความที่มีมิตรชั่ว 3. การได้บรรลุคุณวิเศษขั้นต่างแล้วเลิกเสียกลางคัน